อนาปฏิวานพิกษุนีตอบไปนี้ไม่ต้องอบวดคือ 6981. อยก้พิชชุนีบอกสงฆ์ผู้ทำกรรมแล้วเรียกกลับเข้าหมู่ 2. อพิกษุนีเรียกกลับเข้าหมู่เมื่อรับรู้ฉันทะของคณะแล้ว3าพิกษุนีเรียกพิกษุนีผู้ประพฤติข้อวัดกลับเข้าหมู่ 4. ีพิกษุนีเรียกกลับเข้าหมู่ในเมื่อไม่มีการรกสงฆ์ผู้ทำกรรม5้พิกษุนีวิกลจริต อกเพิกษุนีต้นบัญยัตสังฆาทิเศษสิกขาบทที่สี่จบ